ออพอฟังมาบอกว่ากามทั้งหลายเนี่ยนะเป็นของเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ของไม่ใช่ของพระอริยะเพราะฉะนั้นไม่ควรพัวพันไม่ควรไปตามประกอบแบบนั้นอะ่ะไม่ควรไปซ่องเสพแบบนั้นเนี่ยนะถามว่าเอ๊ะมันน่าเกลียดตรงไหนสมมติถ้าเราจะสแสวงหาความสุขจากการกินดื่มเที่ยวทั่วๆไปนะั้นเสียหายยังไงถ้ามองแบบสายตาทั่วๆไปนะจะบอกว่าเ อ, อ้เหมือนกับเหมือนกับไม่เสียหายแต่จริงๆแล้วเสียหาย นะพอพูดอย่างนี้ของมานึกถึงว่าอย่างพ่อที่มีทุกอย่างแบงนั้นเถอะมีความสุขเพียบพร้อมเต็มเปี่ยมบริบูรณ์หมดแล้วเห็นลูกไปติดกาวข้างถนนเนี่ยนะพ่อจะบอกว่ายัางไงนะั้ะยังให้นึกถึงที่ผู้การเล่าถึงนายทหารธนายังไม่ที่ไปเรียกลูกมาจากสลัมอ่ะนะ <c oughs> ก็ไปปลอบนะไปไปไปปลอบไปให้กําลังใจว่าอย่าไปใช้ชีวิตแบบนั้นเลยไม่มีประโยชน์หรอกเนี่ยนะก็ไป เที่ยวไปไปปลอบไปเล่าอะนะใช่ไหมนี้ก็เหมือนกันอะพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงธรรมนะบอกว่าอย่าไปพัวพันอย่าไปกอบตัวในกมมามสุขเลยจริงอยู่ว่าสุขในวันนี้แต่มันทุกในวันวันหน้าแล้วแล้วมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยนะซึ่งเหตุแห่งทุกข์นะในที่อื่นๆเนี่ยประกาศเรื่องโทษของกามนะขอมาเล่าให้ฟังคืนนี้ไม่จบอันว่ากามเนี่ยมันมีโทษยังไงนะตามที่พระองค์ตรัสไว้นะ แล้วก็โทษทั้งในโลกนี้ด้วยโทษทั้งในโลกหน้าด้วยเนี่ยนะแล้วก็ทุกในวัฏะด้วยอย่านะัมีโทษอย่างมากมาเหมือนกับพว่กว่าอย่าไปติดเลยยาเสพติดนะนะอย่างนั้นนะก็เข้าไปเปล่ายาเสพติดมันไม่ดีหรอกนะนะมันดูดีในเบื้องต้นแหละแต่มันไม่ได้ดีจริงหรอกอย่างนั้นก็อันนี้เ้าก็ห้ามกรรมมาสุขก่อนคือหมายว่าอย่าไปแสวงหาความสุขจากกามแต่ไม่ได้พระองค์ไม่ได้ห้ามความสุขที่เกิดจากเนกขมมะใช่ไหม ก็คืออนุญาตสุขที่ไม่มีโทษก็ห้ามสุขที่มีโทษออกไปเนะแล้วก็ 2. นะการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนอันเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์นนะคือคือการทำตัวให้ลำบากเในจุลธรรมสมาทานสูตรเนี่ยนะกล่าวถึงผู้ที่ประกอบไอ้อตตะกิละมะถานโยกนะพระองค์ตรัสว่า เป็นธรรมมสมาทานที่ทุกขในปัจจุบันแล้วให้ทุกขในภายหน้าไอ้พวกพวกพวกอตตะกิระมัฐานุโยคนะคือทุกในปัจจุบันด้วยทุกในภายหน้าด้วยองตัดว่าพวกนี้น ะ, ะทําตัวทุกขยากลําบากในชาตินี้เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกก็เข้าถึงอบายทุกขติวินิบาศนรกเนี่ยนะในในโทษของอตตะกิระมัฐานุโยคอย่างในมหาสีหนาสูตรที่เราเคยฟังกันก่นกอนแล้วเนี่ยนะ ดูกอนภิสูจทั้งหลายปฏิ ป, ปทาสายกลางอันไม่เข้าใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นเน น, นั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานเปฏิ ป, ปทาสายกลางคืออะไรอรยิยมรรคเหไหมอรยมิยมรรคนีย ต้องไม่เข้าใกล้ลส่วนสุดเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็มันกึ่งหนึ่งอนนะนะหมายถึงว่าการมาสุขหน่อยหนึง่งอัตากิร่ามัทานุโยกหน่อยหนึง่งอย่างนี้จึงจะเรียกว่ามัชชิมาอันนี้ไม่ใช่เลยนะมัชชิมาไม่แวะทั้งสองอย่างเลยแม้แต่หน่อยเดียวไม่แวะเลยเนี่ยนะที่พระองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยหมายถึงว่าอริยมรุษเนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วก็ทำทำดวงตาคําว่า ตาในที่นี้หมายถึงปัญญาจักสุทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดนะไม่ต่างกันโดยอัฐนี่นะแล้วก็เป็นไปเพื่อความสงบสงบในที่นี้ก็คือสงบวัตะนะรู้ยิ่งรู้ยิ่งก็คือรู้ยิ่งอริยสัจตรัสรูร้ก็เพื่อตรัสรู้อริยสัจแล้วก็เพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นในข้อปฏิบัติอันที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อแทงตลอดโลกุตรธรรมยาง อย่างแท้จริงเนี่ยนะออมีคําอธิบายในหนึ่งว่าคําว่าเป็นไปเพื่อความสงบสงบตัวนั้นเนี่ยหมายถึงสอุปฐฐฐาที่เสสะนิพพานธาตุเนี่ยนะคำว่าเนื้อเพื่อนิพพานนิพพานอ น, นั้นเป็นอนุปฐฐาทิเสสะนิพพานธาตุออคาว่าเพื่อสงบเนี่ยนะสะอุปฐฐาที่เสสะนิพพานธาตุก็คือตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลส่วนนิพพานธาตอุอันล่างเนี่ยนะหมายถึงว่า ดับขันปริณีพานจริงๆลูกรพิสูจน์ทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งคําดวงตาให้เกิดทำยามให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพานเนี่ยเป็นไงนะปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรตมีองค์8ดนั่นแหละเนี่ยนะไอคำว่านั่นแหละอันนี้เนี่ยเป็นคําบอกว่าอย่างทางอื่นไม่มีจริงๆ ที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจนะไม่มีข้อปฏิบัติอื่นหลอกนอกจากมักมีองแปดนี่แหละเพราะฉะนั้นมักมีองแป8ก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเห่นไหมสสัมมาสังกัปปะสามสัมมาวาจาสสัมมากรรมมันตะหสมาชีวะหสัมมาวายามะเจดสัมมาสติ8ดสัมมาสมาธิเอาใหม่นะสัมมาทิฏฐินี้รู้อะไรรู้อริยสัจนะ สัมมาทิฏฐิเหตุปัญญาเห็นชอบนั้นหมายถึงปัญญาที่เห็นอริยสัจนะส่วนสัมมาสังกัปปะก็ยกสัมปยุตธรรมให้มีอารมณ์เป็นนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวสัมมาสังกัปปะตรงนี้นะสัมมาสังกัปปะตรงนี้เพราะเป็นพูดถึงระดับโลกุตระเห็นไหมมรแปดตรงนี้หมายถึงมรทั้ง4ี่นะโสดาปฏิมรสกท า, าคามีมรอนาคามีมรอรหัตมร ก, ก็คือมรแปดนี่แหละ เพราะฉะนั้นมัดอันนี้ที่ไม่ไม่เข้าส่วนสุด2เนี่ยหมายถึงโซดาปฏิมักเป็นต้นนั่นแหละโสดาปฏิมักเนี่ยต้องประชุมด้วยองค์8สกะทาคามีมักก็ประชุมด้วยองค์8ปดอนาคามีมักก็ประชุมด้วยองค์8อรหัตตมักก็ประชุมด้วยองค์8ปดมัดอันนี้นี่แหละที่จะทําให้พ้นทุกได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นคําว่าปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาเห็นอริยสัจหรืออย่างรู้อริยสัจ ส่วนวิตกอันนั้นเนี่ยยกสัมปยุตรธรรมขึ้นสู่อารมณ์ได้แก่นิพานยกยกสัมปยุตรธรรมอ่ะนะให้มีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะอย่างพูดถึงโดยวิถีจิตขึ้นมาก่อนใช่ไมว่ามโนทวาราวัชนะอนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมเมนะโคตรภู แล้วก็อันนี้มักนะบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะพวกนี้มีสังขารเป็นอารมณ์สังขารหรือที่เรียกว่าไตรลักษณ์นะเป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งในการพิจารณาคืออุปาทานะขันมีอุปาทานขันโดยที่พิจารณาอุปาทานขันว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ ส่วนอารมณ์ที่เหลือก็คือนิพพานนิพพานที่สงบประงับนะเป็นอารัมณะปัจจัยของโคตรภูด้วยเป็นอารัมณะปัจจัยของมรด้วยในมรดเนี่ยองที่หนึ่งสำคัญมากคือที่เรียกว่าปัญญานะได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฐิที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะโดยอารมณ์แล้วอะ่ะเขามีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ทำกิจกิจของเขานะคือไม่ลุ่มหลงในทุกและ สมุทัยเพราะฉะนั้นในขณะนั้นเนี่ยเขาชื่อว่าเห็นนิพพานแล้วก็ไม่หลงไม่หลงในทุกและสมุทัยเนี่ยนะไม่หลงในทุกกับสมุทัยทีนี้ปัญญาอันนี้ก็ต้องอาศัยที่เรียกว่าวิตกวิตกเนี่ยนะเป็นสัมมาสังกปะเป็นตัวยกยกอะไรยกสมมติว่านี่เขียนเฉพาะ8ดนะสมมติว่ายกสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติเนี่ยนะแล้วก็สัมมาส ม, มาธิเนี่ยนะแล้วก็ยังมีผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นเนี่ยวิตกตัวเนี่ยเป็นตัวยกให้ให้จิตเหล่านี้ไปไปรู้นิพพานเพรา ะ, ะนั้นเป็นตัวยกสัมปยุต ธ, ธรรมเหล่านี้ขึ้นแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะทั้งจิตและเจตสิกมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันเนี่ยนะคือมีโลกุตระธรรมเป็นอารมณ์เหมือนกัน อันนี่อยู่ในอนุโลมครับตัวตัวอันนี้เนี่อนุโลมตัวตัวนี้ครับตัวตัวตัวปัญญานี่ครับะ น, น, นะตัวนี้อยู่ในโคตรภูแลอ๋อนี่ น, นี่ไม่มรคจิตเลยมรคจิตอันนี้มรคนี่นะอันนี้ชื่อว่าโคตรภูอันนี้ที่เรียกว่าอันนี้เป็นทั้งหมดเนี่ยนะละมนีเป็นกา ม, มาวจรอันนี้เป็นโล ก, กุตระเนีย่ยนะ บริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยก็คือสังขารุปเปกขายานหรืออนุโลมมายา น, นะแต่ทั่วๆไปจะใช้คําว่าอนุโลมมายานแล้วก็โคตรภูยานอันนี้ก็เป็นมัคขายานก็จะใช้ชื่อสามยานนะนนอันนี้เป็นอนุโลมมายานหนึ่งอันนี้โคตรรภูญานเนี่ยนะอันนี้สองแล้วก็มัคขายานมัคนี่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นอันนี้เรียกว่าเป็นผลทันทีเลยให้ผลไม่มีระหว่างขั้น2อดวงเนี่ยนะ แล้วก็จะหยั่งลงสู่พวัง น, นะปัญญาขณะนี้ถือว่าเป็นการแทงตลอดอริยสัตว์นนะแต่จริงๆแล้วในบริกรรมอุปจาระอนุโลมเนี่ยนะประเภทเนี้ยเน้นพิจารณาทุกขสัตเนี่ยเป็นเป็นมาก น, นะพิจารณาทุกขสัต์ส่วนโคตรภูเนี่ยท่านถือว่าแค่อวัชชนะของมัฟเท่านั้นเองใส่แล้วมัฟ ก, ก็มี น, นิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะ เป็นตัวเ้าเนี่ยเป็นตัวยกสัมปชัญญธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็ น, น, นเป็นตัวยกจิตเจตสิกเหล่านี้เพื่อให้มีนิพพานเป็นอารมณ์ mm hmm. เพื่อเป็นวิตกถึงถึงพระนิพพานเนี่ยนะอันนี้ถ้าเป็นมรระดับมร์นี่มีหลายระดับฌานนะมรกระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเนี่ยนะถ้ามรกระดับปฐมฌานจึงมีวิตกถ้ามรกระดับฌานสูงขึ้นไปไม่ต้องมีวิตก เช่นถ้ามรักในระดับทุติยะฌานเนี่ยไม่ต้องมีวิตกเลยเด่นะแต่นี้พูดถึงมรักระดับปฐมฌานทุกบุคคล เ, เว้นผู้ที่ได้มรักระดับทุติยะฌานขึ้นไปไม่มีวิตกอย่างมรักของผู้ที่ได้ธุติยะฌานเนี่ยนะพวกที่ออกจากฌานสี่แล้วมรักเกิดนนะส่วนใหญ่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารเออวิจารก็ไม่มี ถ้าถ้าเป็นระดับออกจากฌานสี่แล้วนะมักในระดับปฐมฌานเอ่อมักเนี่ยระดับปฐมฌานก็มีระดับทุติยฌ า, านก็มีแต่ติยฌ า, านก็มีจตุทฌานก็มีพวกวิปัสสนายิกะนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เว้นแต่ว่าอุปนิสัยสะสม อ, อ, อดีตชาติมาเยอะอันนี้มักนี้ก็จะระดับสามารถเป็นระดับชั้นสูงได้เลย อย่างเช่นผู้ที่ฟังรรแล้วก็บรรลุแล้วก็ได้อภินยาเป็นต้นนะจะต้องมักระดับสู ง, งแต่ก็อุปนิสัยเก่าค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นไอ้ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิอันนี้แหละเรียกว่าสายกลางอย่างแท้จริงนี่นะคือไม่ไม่เอียงไปทางอื่นเลยดูก่อนพิสูนทั้งหลายก็นี้แลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้แล้วก็เพื่อนิพพานเนีย่ยนะอนทั้งหมดนี้ก็เท่ากับแบ่งสามสายก่อนนะหนึ่งการที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกนะไม่ใช่การ ม, มาสุขาลิการุโยกสองไม่ใช่อาตากิละมัานโยกแต่ต้องเป็นมัชิมาปฏิปทาคือทางที่ประกอบด้วยองค์8นี่แหละ ทีนีทางที่ประกอบด้วยองค์แปดนี่เห็นอะไรก็จะพูดถึงสิ่งที่อริยมรรคนี่เห็นก็คืออริยสัจก็เลยแสดงอริยสัจเป็นลำดับต่อมาอนะแสดงอริยสัจพอเป็นตัวอย่างนะสูตรนี้แสดงพอตัวอย่างเท่านั้นเองส่วนรายละเอียดแบบกว้างขวางก็พระไตรปิฎกนั่นแหละอันนั้นคือพระอัญญาโกณทัญญานี่เป็นกลุ่มคนประเภทอุคติตันยูเนี่ยนะ ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขอริยาสัตว์อีกครั้งหนึ่งนะทุกนี่แปลว่าอะไรนะทุกขาริยาสัตว์นะมาจากทุกบวกกับขังทุกนี่แปลว่าน่าเกลียดหรือไม่ดีนะขังนี่แปลว่าว่างหรือแปลว่าเปล่าเหมือนกับท้องฟ้าเนี่ยน ะ, ะคืออริยาสัตว์เนี่ยมันจริงแต่มันจริงแบบหน้าเกลียดอย่างมากเลยคือทุกตัวนั้นเนี่ยบอกว่ามันเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งแห่ง อุปัตถวะอย่างมากอะ น, นะเช่นความแก่ความเจ็บเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งอุบาตอย่างมากแล้วก็ไอ้ขังตัวนั้นมันว่างว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนแล้วก็ว่างจากความงามเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าทุกขังเหมือนกันนะเรียกว่าทุกเพราะฉะนั้นไอ้ทุกข์ที่ว่าคืออะไรความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข ที่ใช้คําว่าเจ็บไข้เป็นทุกข์นะมีในธรรมจักที่เดียวที่อื่นไม่มีมีแต่ว่าเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ไปเลยแต่แต่ในธรรมจักจะมีว่าความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่สาธารณะกับสัตว์ทั้งหมดนะป่วยเนี่ยเทวดาป่วยไหมพรมป่วยไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยแก่ตายเหมือนกันแต่ว่าเน้นในเนี่ยจะกล่าวถึงเจ็บไข้คือความเจ็บไข้นะคือโรคภัยเนี่ยนะ มันมีบางพ่อภูมบางพ่อภูมิไม่ป่วยเลยดังนั้นส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล่าวถึงเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์แต่จะกล่าวว่าแก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นะก็ไปเจอคือเจอกับสิ่งที่เราไม่ต้องการนะนะกับความพลัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์มาเคยถามว่าถ้าเราจะทนนะทนอยู่กับสิ่งไม่เป็นที่รักหรือว่าทนอยู่กับการพลัดพลาดจากสิ่งอันเป็นที่รักจะเลือกเอาอันไหน จริงมันก็ไม่ดีทั้งคู่นั่นแหละพัดภาคดีกว่าหน่อยถ้าต้องไปทนอยู่กับสิ่งไม่เป็นที่รักนี่มันหวานนนะแต่ว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เงนนะแต่โดยย่อนะทุกที่ว่าก็คือขันท่านั่นแหละขันท่าได้แก่อะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละขันท่าเท้าย่อก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นทุกข์เงินนะถ้าพูดทั่วทไปนี่ใครอยากจะยอมรับได้บ้างนะนเงินตา ทำทุกอย่างก็เพื่อให้มีสิ่งเหล่านี้นะและพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นทุกเฉยเลยนะทุบบวกขังไงไหมทุบแปลว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุปัตถวะอย่างมากขังก็แปลว่าว่างจากความเที่ยงเป็นต้นนั่นเองดูกรพิสูจน์ทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะสมุทัยอริยสัจเนี่ยนะตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือ กามตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาก็คือถ้ากามตัญหาสมมุติถ้าเห็นใครสักคนหนึ่งนะเราบอกว่าเออนี่งามนะอันเนี้ยเป็นกามตัญหาแต่ถ้าคิดว่าเออนี่เที่ยงนะอันนี้เป็นภวะตัญหาแต่เนี้ยตายแล้วก็ศูนย์จบกันอันเนี้ยวิภวะตัญหาสมมุติถ้าเห็นนะอารมณ์ที่เห็นเนี้ยถ้าเห็นนะปลารบแต่ความงามเฉยเฉยนะอันนี้เป็นกามาตัญหาแต่ถ้าไปมีทิฏฐิว่าเออนี่ตายแล้วพวกเนี้ยเที่ยง อันนี้แหละเป็นภวะตันหาแต่คิดนะเออตายแล้วก็จบกันอันนี้แหละเป็นวิภาวะตันหาเนี่ยนะก็คือเห็นแล้วนึกชอบเฉยเฉยนั่นเองเป็นกามตันหาแต่ถ้าเห็นไปคิดหนะโอ้โหนี่นะถ้าตายแล้วนะไปเที่ยงอมะตะนะมีแต่เป็นไปเรื่อยเนี่ยสายศาสนาศาสน า, าทีท่ินั่นแหละเป็นภวะตันหาถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะ ทีนี้ตัณหาเหล่านี้นะคำว่าสมุทัยนะเคยเคยแยกศสาบนะว่ามาจากคําว่าสังบวกอุบวกอายะทำไมนะสังบวกอุบวกอายะรวมกันเรียกว่าสมุทยะเนี่ยนะสังนี่แปลว่าประกอบอุนี่แปลว่าเกิดขึ้นอุทัยนะส่วนอายะนี่แปลว่าเหตุสรุปว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองนะคือตัณหา กามตานหาภวะตานหาวิภวะตานหานั่นแหละเป็นเหตุที่ทําให้เกิดขันห้าขึ้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แลเป็นทุกขนิโรธอริยสนะัตว์เห็นนะตานหานั่นแลดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสละสละคืนปล่อยไม่ผัวพันอ่า น, นะอนาเลโยนะไม่ผัวพันนิโรดนี้มาจากสรรวณินินี่แปลว่าไม่มี โรธานี่แปลว่าเครื่องจองจําได้แก่ขันห้าเพราะฉะนั้นคำว่านิโรธก็คือไม่มีไม่มีเครื่องจองจําคือทุกไม่มีทุกเลยเหมืันนเถอะแต่ว่าหมายถึงว่าสํ ROC ตันหานะสำ ROC ตันหาเขาบอกว่าตันหานั่นแหละดับโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยมรรคอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าพูดถึงลักษณะของผู้ศาสนาที่ต่างจากลทัทธิเดรถีเหมือนนนะทั้งอัตถกาถาดีกาที่บายอย่างนี้เหมือนกันว่า พุทธศาสนาไม่เหมือนกับเดรัทธีเดรัทธีเนี่ยบอกว่าเยี่ยงสุนัขเขาว่างัน้นคือถ้าหากว่าเขาจะดับทุกข์นะเขาก็ไปดับที่ตัวทุกข์อ่ะซึ่งจริงแล้วดับไม่ได้ฉันใดเดรัทธีก็เหมือนกันเวลาจะดับนะมาทรมานตนเหลือเกินเนี่ยนะเพื่อที่จะแก้แก้ปัญหาที่ที่อัตภาพที่มีอยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนสุนัขสุนัขีนถ้าหากว่าเขาจะไล่มันหนีนะเขาก็โยนกระดูกไปมันก็ไปคาบกระดูก แต่ราชาสีไม่เป็นเช่นนั้นเวลาใครยิงมันมันจะไปฆ่าที่คนยิงทุกก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าจะดับทุกเนี่ยดับที่ตัวทุกได้ไหมดับไม่ได้ก็ต้องดับที่ที่เหตุเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอส้สำรอกตันหาในฐานะที่เป็นเหตุดูกานพิสูจนทั้งหลายข้อนี้แลยเป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คืออริยมัสมีองแปดนี่แหละคือปัญญาอันเห็นชอบเป็นต้นเนี่ยนะ คือมรก8ในมรสีเอาใหม่นะมรก8ในมรสี่แปลว่าอะไรมรก8คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นต้นครบ8ในมรสี่คือโสดาปฏิมรสกาธาคามีมรอนาคามีมรแล้วก็อรหัตตมรนี่แหละเป็นความดับทุกได้อย่างแท้จริง